เต็มตัวทรรรัชาพร้องกันพร้อมเรากราบกราบ รหัสมมาสมพุทโอะมากวังพระบุมีพระภาคเจ้าเป็นพระราหันดาเพลิงกิเลสเพลิงทุสิ้นเชิงตราสรู ชอบได้ดยพระองค์เองภูตางพระฟาวันทางอาภิวเดมีข <c oughs> <c oughs> ามเจ้าอาภิวาสพระภูมีพระปาค สว่งคาดวงอาคาวตาัตธรรมโมพระธรรมเป็นทรรมที่พระผู้มีรพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมนามสัา สการณราธามสุปาติปโนะอาคาวะโดสหาวากะสังโขระสงสาวกของพราภุมีพราภาคยาว บาดีบาดิแล้วสังฆนามิอาบาเจ้านอบนอบราสลางนามยังบุดาสะพควาโตปุปปภาคานามการังการมาเส นาโม阿ตถสัพพะคะวะโตอะโตอะสัมมาสัม a วัตถะนาโมตถสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม ตถาสัมมาดาสัภะวโตอาระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะอนอบนอมแด่พระภูมีพระบา ซึ่งเป็นผู้ปรายยากิเลสไา้สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสี่เป็นหน้าแปดสิบเอ็ดหน้าแปดหนึ่งเราจะสวดสติปัฏฐานสูตรที่ว่าเมื่อวาน เอวามสุตังข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้ว่าเอกังสามยังพัควาครางหนึ่งพระภูมีพระภาคเจ้าโกรุโสเบหาติประทั ในดินแดนแห่งหมูชนชาวกูรูทังหลายกรรมสาธามานามกูรูนางนิฆโมเนี่ยคมแห่งชาวกูรูชื่อนี่คมกรรมสาธามาตาตราโคปะกวาปิคูอ สีบิคาโวตีนาดินันเองพระผู้มีพระภาคก็เรียกปิสุทั้งหลายว่าปิสุทั้งหลาย พระทานเตติเพพาาตพิคูพะคาวโตปะจาตโสสุพะคาวเอตทาัทาโวจารันปิสุทั้งหลายทุนขานว่าอาแต่พระองค์ผู้เจริญดังนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคึ้ตรัสเนื้อความมันเป็นบูเทศคือหัวข้อแห่งมหาสติปัฏฐานสูนีว้ว่าเอกายโนโอายางพิขาเวมะโควิสุทั้งหลาย หนทางนี bên, ệu, ้เป็นหนทางเพียงทางเดียวจตาน้งวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจุดของสัตว์ทั้งหลายโสกกาบริเทวานางสมาติกาไมยา ความก้าวล่วงเสียซึ่งความสศกและความร่ำไรรำพันทุกข์โทมานาสานัาทังขมายาเพื่อฝังตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมานต์ยายาสาธิขมายาเพื่อบรนลุ ศาสตพึงรู้อนิพพาณศาสารสิกิรยิยาเพื่อธรรมระทผ่านให้แจ้งยาที่ทางจ ต, ตรัรสติปัฏฐานาอุนทางนี้คือสติปัฏฐานสี่ญา เมชาตาโรสติปทานทงสี่คืออะไรเราตเวภิกขุเบียงสุทั้งหลายเบียสุในศาสนานีกายเยกายนุปัสสเวหาดี ปะติเห็นกายในกายอยู่อาตาปิสัมปชาโนสติมาเออมีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติวินนยะโลเกอาิชาโต สร้างนามความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เรียกว่ากายนุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาสุเวทนานุปสิเวหาติ เหนผู้มีปกติเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อาตาปิสัมปาชานสติมาเออมีความเพียรเครื่องเขาบาศมีความรู้สึกตัวตัวพร้อมมีสติ วินัยโลเกอพิชาโตมนาสัมนามความพอใจและกว่าไม่พอใจในโลกเสียได้เวียกว่าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิเติจิตา ภาสีเวหาตาีเป็นผู้มีปกเกเห็นจิตในจิตอยู่อาตาปิสัมปะชาโนสติมาเธ อ, อมีความเพียนเครื่องเขาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพรอ้อมมีสติ วินยโลกะภิชาโทมานสังนำความพอใจละที่พอใจในโลกเสียได้เรียกว่าจิตานุปัสสนาสติปัทาน ทามิสุธรรนุปาสสิเวหาปฏิปฏีเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่อาตาปีสัมปชาโนสติมาเอมีความเพียรเครื่องเขาบาป มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติวินัยโลเจอภิชาโทมนาสังนมความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้ เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปาฏฐานที่ดงสื่อไปหน้าหกนะีหน้าหก <c oughs> <c oughs> ตรงกลางอิทัตถาคตโลเกอุปน พระตาทาโคเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้สมมาสัมพุทธเป็นผู้ใคร่จากกิเลสรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอมตะเทศนิยาม กและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเพื่อออกจากทุกข์อุปาสันิโกบาลิภานิโกเป็นเครื่อทงทงอกิเละเป็นไปเพื่อบาลีนิบาน สามพูนต่อขามีสุขตาเปรตที่ต้วเกินไปเอื้อลูกอมเกินทรรที่พระสุะขภคายเมื่อยันต่างธรรมบาสุตวัวเยอันชา ว่าชาติปิตุขม้ความเกิดก็เห็นทุกชาติทิกขขามความแก่ก็เห็นทุกมรณะปิตุขาม้ความตายก็เห็นทุกส ตัมนัสุปายาสปิทุขานเี่ความสุขความร่ำไห้รำนันความไม่สบายกายความไมยสบายความกักเก็บใจก็เป็นทุกข์อาตีเยหิสัมกัจทุโก สัมมกสิ่ไม่เป็นที่ร า, <c oughs> ากที่อใจก็เป็นทุกข์ีเยนิวปยวะโกะุโกว่าตระกสิ่งเป็นที่รากที่พอใจก็เป็นทุกข์ยัปีชงนัลาปะทตมปีตุกะ สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สรงเตนปันจุกาธานาคันธาตุข้าวาโดยโยอาธาคันธาาเป็นตัวทุกข์ใชยาที่ทางได้แค่สิ่งเหล่านี้คือล ตัวอันั้นเป็นที่ตั้งแห่งยึดมั่นคือรูเกนโปาทานะขัโตังคานั้นเป็นที่ตั้งแห่งยึดมั่นคือเวทนาสันอยู่ปาทานะขัมโตัคานั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึด สัญญาสังขารุปทานคันทวนกันเป็นที่ตางแ่วาอิมันคือสำคาญวิญญาณุปาทานคันทวน มันคืที่ตั่งความยึดมั่นคืออินญาณเยสังบาลียาาเพื่อให้สาวกันอดละพลุาทานขันเานี้เองาละมานสกวะจึงว่าผู้มีว่าพระเจ้า เมื่อยังทรงวาชนอยู่เอวังว่ามุลาสวาเกวินเฮตีย่อมสรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมาเอวังว่าขาจะปันนาสาวาเขาว่าตัวสาวเกวสว ศสาสานิพพุลาภาวาทะตาเทียนอนุธรรมธรสวนของบาผูมิตาภาเจานานยอมเป็นไปในสาวกทางั้ส่วนมากมีคือการจำแนงที่ว่า ลูกปังนิจจ์ลูกไม่เที่ยงเวทนาหนิจจ์เวทนาไม่เที่ยงสัญญาหนิจจ์สัญญาไม่เที่ยงสังขารหนิจจ์สังขามไม่เที่ยงวิญญาณ อาดิจัมมิญาณไม่เทียงลูกปางอนาคตาลูกไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนาคาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญานาตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสำเพ ต่งสำคไม่ใช an <c oughs> ่ตัวตนกินญาหนังอาตากินยาไม่ใช่ตัวตนสาบีสำคันิจจ์สำคาญทางใดทางผวงไม่เที่ยงสาบีธรรม นัตตทียอันธรรมทางให้ทัไม่ใช่ตัวตนดังนี้ไม่หัวที่นามว่เราทำาเป็นผู้ถูกคอบงแล้วชาติยาโดยความเกิดช กาแกมใจทางตัวกุฏินาเป็นทุกข์ทุกความทุกอย่างเอาแล้วตุกขาปรีตาเป็นผู้มีความทุกเป็นเมืองน่าเหวาอาเปวันอาหมีมาสวเวราสุกขาคำเต อันติรียาปัญญาเยธาทีธรรมใ้การธรรมที่สุดแห่งของทุกทางสิ้นนีจากุลปาโคชาตแกเราได้นะปะลินีพุตตมีตัพระเขาวันตาสังขตาลา ถึงเดาซึ่งว่าผู้มีพระพระเจ้าแม้ปาริมีผานานเทวพาองนั้นเป็นสันลนาธรรมันจะสำคัญจะถึงพว่าธรรด้วยถึงพว่สมด้วย ตาสะปะขาวตัวสะสะนงยาธาสติยาธาตระนัสิกะลวะมะอนุปติปจามาจในใจอยู่ปฏิบตตอยู่ซึ่งคำสั่งสนของผูนี้ พระพาเจ้านาถางสติกำลังสัสนุวัติปฏิยังขอให้ความปฏิวัตินั้นนั้นของเราั้งหลายนิมมัสสเกวัลลาสตุขคันดัตันติกิริยา สังวาตาตัตตวจงเป็นไปเพื่อการดำที่สุดแห่งของทุกทังนี้เถินขวดน้ำนาสิบเก้าอุญญาสิธานิกัตตสัยอนัญญานิกตานิเมย เดียสัญจะพากินวะมุนตุสัตตะนต์ปะนากาทางายไม่มีที่สุดไม่มีปรานจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้างระเช้าได้ทางในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ ให้อนแหเยียยาคุณอันจะจไม่หัมมาตาปิตายจอวันาาา ท, นทีตามีจะไปหยติท่าวาันเยมาชัดตาลินโนวันคือจะเป็นสาจได้ซึ่งเป็นที่รัก เช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วนึกไม่ได้เห็นก็ดีการเราที่เป็นกางกลือเป็นคู้เห็นการก็ดีสัจธรที่ทันทรู้ก็สามิงเต อันเดชะลูกกาลสังสารตารภาวิสัตถนัทธรรมในโลกอยู่ในตุตัมสาอยู่ในกัมหนตรกัมศีมีกัม มีกันกันเดียวมีกันที่กกำลังต้องเที่ยวอยู่ในวกน้อยพคกใหญ่ก็ดีอย่าทำเยปาิทานัางเมอาตุมุวทันตุเตสยังเยจิมังนับปัจฉานันทิเทวาเตสัง นิเวย่สัตว์เได้รส่บุญที่เราะเจ้าแห้งแ็นสัตว์าน้นโจมนู้ัญญูเถิดส่วนสัตว์เราได้ัไม่รู้สวบุญนี้ นุวัติมาภาขันจะภาปุณธุเลจจจิตจังสุปังขอเหตุที่ได้นุโมทนารสุลิขาตเจ้าแห่งไอเลวสาตว์ทางไรทาง อันต่เสีมก้าคือระณิพานวามปัาจนาที่ดีงามความสะอาดนานจงสำเร็จเธอท่าความสงบสักครู